พระสงฆ์กับชาวบ้านสู่ความสัมพันธ์ที่วิปริตพระสงฆ์กับประชาชนเคยมีความสัมพันธ์กันในระบบของพุทธบริษัทอย่างไรเราแบ่งพุทธบริษัทสี่เป็นสองฝ่ายคือฝ่ายบรรพชิตกับฝ่ายเข้ารือหัสหรือพระสงฆ์กับชาวบ้านระบบความสัมพันธ์ที่มีมาแต่เดิมตามหลักการของเราเราเรียกว่า ระบบบุญกุศลเมื่อเอาเมืองไทยเป็นหลักตามประเพณีของเราในระบบบุญกุศลจะมีลักษณะความสัมพันธ์ที่อิงอาศัยหลักการพื้นฐานของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้หลักอะไรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ให้เป็นสายสัมพันธ์ที่ดีงามถูกต้องระหว่างพระสงฆ์กับขาหรหัหลักนั้นก็คืออมิสทานกับธรรมทาน ตามหลักนั้นพระสงฆ์มีหน้าที่ต้องให้ธรรมะแก่ประชาชนเรียกว่าธรรมทานส่วนชาวบ้านก็มีหน้าที่ช่วยเกื้อกูลต่อพระสงฆ์ด้วยอามิสทานเป็นการถวายกําลังเพื่อให้ท่านทําหน้าที่ได้อามิสทานและธรรมทานนี้ถ้ายังเป็นไปอย่างถูกต้องก็เข้าหลักที่ว่าอุปโภคัญญย น, ยนิสิตาแปลว่าทั้งสองฝ่ายคือชาวบ้านและพระสงฆ์นั้น พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเราจะถึงความเกษมจากทุกได้หลักว่าอย่างนั้นแต่ถ้าคลาดหรือพลาดจากหลักนี้เมื่อไหร่ก็เป็นอันว่าบิปาราชคลาดเคลื่อนเวลานี้ระบบความสัมพันธ์แบบบุญกุศลนั้นถ้าพินิจดูจะมองเห็นว่ามันกําลังจะเปลี่ยนมาสู่ความสัมพันธ์ในระบบผลประโยชน์พระสงฆ์กับชาวบ้านกําลังโน้มไปสู่ความสัมพันธ์แบบผลประโยชน์มากขึ้นทุกวัน ระบบผลประโยชน์กับระบบบุญกุศลเป็นอย่างไรและจะเกิดผลต่างกันอย่างไรระบบบุญกุศลก็คือชาวบ้านไปวัดด้วยความมุ่งหวังดีงามต่อพระศาสนาฝ่ายใจว่าจะสร้างสมบุญกุศลคุณธรรมความดีเห็นวัดวาอารามก็น้อมนำใจให้อบอิ่มเบิกบานอยากให้วัดเป็นที่สงบเรื่อนรมร่มรื่นน่าชื่นชมเห็นพระสงฆ์ก็ชื่นใจเลื่อมใส อยากให้ท่านมีกำลังเล่าเรียนสั่งสอนพระธรรมวินัยประพฤติปฏิบัติให้เป็นที่น่าเคารพศรัทธาการที่ชาวบ้านมุ่งหวังบุญกุศล น, นี้ทำให้เขามองกว้างออกไปในพระศาสนาเขาจึงสนใจคอยช่วยกันสนับสนุนกิจการงานของวัดวาอารามและสนใจความประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์สนใจคำสอนของพระสงฆ์พระสงฆ์จะพูดจาสั่งสอนอะไรก็ตั้งใจสดับฟัง จากการที่สนใจในด้านนี้ก็ทำให้มีความรู้ความเข้าใจชาวบ้านจะรู้ว่าพระสงฆ์ต้องตั้งอยู่ในธรรมวินัยธรรมวินัยเป็นอย่างไรเท่าที่ชาวบ้านควรจะรู้เขาก็เข้าใจเมื่อพระสงฆ์ประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามหลักธรรมวินัยชาวบ้านก็มีศรัทธาและมีความเคารพเลื่อมใสแล้วก็อุปธรรมบำรุงแต่ในทางตรงข้าม ถ้าพระสงฆ์รูปใดไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยเขาก็ไม่ศรัทธาไม่เคารพไม่อุปธรรมบำรุงพระสงฆ์องค์นั้นก็อยู่ไม่ได้กลายเป็นระบบควบคุมทางสังคมขึ้นมาในทางกลับกันเมื่อพระสงฆ์ปฏิบัติตัวถูกต้องตามธรรมวินยัยชาวบ้านก็นับถือเป็นครูอาจารย์พอนับถือเป็นครูอาจารย์ก็ต้องเคารพเชื่อฟังเมื่อเคารพเชื่อฟัง พระสงค์ก็คุมความประพฤติของชาวบ้านได้เพราะฉะนั้นจึงกลายเป็นว่าทั้งชาวบ้านก็คุมพระพระก็คุมชาวบ้านก็คุมกันมาด้วยธรรมด้วยวินัยอย่างนี้พระพุทธศาสนาจึงอยู่มาได้นี่คือระบบบุญกุศลซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ต่อกันแบบอามิสทานและธรรมทานแล้วก็กลายเป็นระบบควบคุมทางสังคมที่มีผลดี ทำให้เราดำรงพระศาสนาไว้ได้สืบมาแต่มาในปัจจุบันนี้ที่บอกว่าเราคลาดเคลื่อนเข้าสู่ระบบผลประโยชน์เป็นอย่างไรระบบผลประโยชน์ก็คือชาวบ้านเวลานี้จํานวนมากซึ่งไม่ใช่ทั้งหมดไปวัดโดยมุ่งหวังโชคลาภให้แก่ตนเองซึ่งเป็นเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวจะไปหาพระ ก็ต่อเมื่อไปเอาสิ่งที่จะให้เกิดโชคลาภแก่ตนเช่นวัตถุมงคลซึ่งตัวจะได้มาด้วยการที่อาจจะต้องถวายปัจจัยบำรุงไปเมื่อถวายปัจจัยไปแล้วได้วัตถุมงคลที่จะให้โชคลาภแก่ตัวเองมาก็แล้วกันจบแค่นั้นชาวบ้านแบบนี้ไปก็มุ่งจะเอาวัตถุมงคลเท่านั้นได้วัตถุมงคลแล้วก็จบ ความสนใจและความสัมพันธ์กับวัดและพระสงฆ์ตลอดจนพระศาสนาทั้งหมดของเขามีแค่นั้นเขาไม่สนใจว่าธรรมวิญญาณเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนอะไรหลักธรรมเป็นอย่างไรแม้แต่ว่าพระองค์นั้นประพฤติอย่างไรก็ไม่สนใจเพราะว่าเมื่อได้ของที่ต้องการแล้วเรื่องก็จบทีนี้พระนั้นถ้าเป็นพระที่ดี ได้ปัจจัยจากชาวบ้านไปแล้วก็เสียสละเอาไปทำประโยชน์ส่วนรวมสร้างวัดวาอารามสร้างสาธารณประโยชน์เช่นโรงพยาบาลและโรงเรียนแต่ก็เป็นเพียงความดีส่วนตัวของท่านในทางสังคมเป็นส่วนประกอบได้แต่ยังไม่ใช่เป็นผลดีที่แท้แก่พระศาสนาในวงกว้างและระยะยาวพูดสั้นๆว่ายังไม่ถึงทำ การให้มาโดยได้ของตอบแทนไปหรือให้ไปโดยได้ของตอบแทนมาที่ชอบเรียกว่าบริจาคหรือทาบุญนั้นถ้าไม่ระวังให้ดีอาจกลายเป็นการทำลายหลักการทำระบบความสัมพันธ์ให้วิปริตและสร้างนิสัยเสียแก่ชาวพุทธทำให้เสื่อมลงจากธรรมะที่ว่าทำให้ชาวพุทธนิสัยเสียเป็นอย่างไรแต่ก่อนนี้เราฝึกคนให้บริจาค เพื่อกำจัดมัจฉาดิยะพัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรมมีจาระธรรมมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเข้าไปนิวัดและทำบุญทำกุศลเขาจะได้เจริญในศรัทธาเจริญในเมตตาบำเพ็ญคุณธรรมต่างๆให้มากขึ้นเป็นทางของการพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปในบุญศิกขาแต่เวลานี้เมื่อให้บริจาคโดยมีวัตถุมงคลตอบแทนไปไปมามานานเข้า เคยชินเข้าก็กลายเป็นว่าถ้าไม่ได้ของตอบแทนก็ไม่บริจาคจะบริจาคต้องมองว่าเราจะได้อะไรซึ่งถ้าพูดให้ถูกก็คือไม่ได้บริจาคนั่นเองเราะใจไม่ได้สละให้แต่กลายเป็นระบบแลกเปลี่ยนหรือถ้าหนักหนักก็เป็นการซื้อขาย พอถึงตอนนี้ระบบการบริจาคเพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อเจริญในบุญกุศลก็หมดไปกลายเป็นระบบผลประโยชน์แม้จะเอาไปใช้ทำดีก็ไม่คุ้มแม้จะเป็นพระที่ดีเอาไปใช้สร้างสรรสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ระบบมันเสียหมดพูดง่ายๆว่าชาวพุทธเสียนิสัยต่อไปไม่ได้อะไรตอบแทนก็ไม่บริจาค ทำอย่างไรเราจะให้คนบริจาคด้วยเห็นแก่บุญกุศลเห็นแก่ความดีเห็นแก่แ ก, การเจริญแผ่ขยายของธรรมะเห็นแก่ความรุ่งเรืองของพระาศาสนาเห็นแก่ประโยชน์สุขของสังคมและช่วยให้พระสงฆ์ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบงามด้วยพระธรรมวินัยบางทีเราเอาพระพุทธรูปบ้างรูปหลวงพ่อหลวงปู่บ้างมาตั้งบอกว่าให้คนเคารพ บ, บูชา แล้วชาวบ้านก็บริจาคทาบุญบ้างทาทุนบ้างอันนี้ถ้ามองถูกไปให้ถึงหลักก็มีส่วนดีอยู่แต่เมื่อทำอย่างนี้เราจะต้องหมั่นถามตัวเราเองให้มีความมั่นใจในความถูกต้องอยู่ทุกเมื่อทุกเวลาถามตัวเราเองว่าที่เราเอาท่านมาตั้งให้คนบูชาเนี่ยตัวเราเองเคารพ บ, บูชาท่านจริงแล้วเราทำโดยมุ่งให้ท่านเป็นหลักเป็นที่ยึดเหนียว ที่จะโน้มน้าวนำจิตใจคนให้น้องไปหาธรรมะเป็นจุดตั้งต้นเป็นด่านแรกที่จะนําคนเข้าไปหาธรรมะโดยเรามุ่งหวังให้ท่านช่วยให้เขามีจิตใจเป็นกุศลอ่อนโยนสงบผ่องใสนุ่มนวลควรแก่การรับธรรมะเราทําด้วยความคิดความเข้าใจอย่างนี้ใช่แน่ไหมแต่ถ้าถามตัวเองหรือถามกันเองแล้วมีคําตอบฟ้องขึ้นมาในใจว่า ตัวเราเองไม่ได้เคารพบูชาท่านจริงหรอกเราไม่รู้ด้วยซ้าไปว่าท่านเป็นอย่างไรท่านมีคุณความดีอะไรที่ลึกซึ้งน่าทราบซึ้งสําคัญแค่ไหนแต่เราเอาท่านมาตั้งไว้เพื่อเป็นทางหาไรายได้ตามอย่างที่เขานิยมกันถ้าเราหมั่นตรวจสอบตัวเองหมั่นถามกันเองอย่างนี้เราก็จะได้ระมัดระวังตัวไม่ประมาทเราจะไม่ถลำไปไกลในทางของบาป ไม่มีใครพูดได้ว่าเราทำเหมือนเอาพ่อแม่ครูอาจารย์มาขายหากินแต่เราจะแก้ไขปรับปรุงตัวได้ทันจะมั่นอยู่ได้ในกุศลพร้อมทั้งได้เกื้อหนุนพระศาสนาและนำประชาชนไปในทางดีที่เจริญงอกงามทวนอีกทีว่าระบบบุญกุศลเป็นไปตามหลักความสัมพันธ์กัน อย่างตรงไปตรงมาระหว่างพระกับชาวบ้านแบบที่ว่าโยมถวายอามิสธานไปพระให้ธรรมทานมาอันนี้จะทำให้ชีวิตงอกงามสังคมดีมีพระศาสนาที่มั่นคงส่วนระบบผลประโยชน์เกิดจากความสัมพันธ์หลอกๆอกแอบแอบแบบที่ต่างก็สแสวงโชคหาลาบให้แก่ตัวแบบนี้มีแต่จะพาให้หมดกุศลชีวิตก็เฟ สังคมก็เละราศาสนาก็เลอะเฉอชะแฉะควรรีบช่วยกันแก้ไขก่อนที่จะสายเกินแก้หลักการหล่นหายระบบก็พังทลาย ศาสเสื่อมสังคมสลายเพราะผลกรรมร้ายร่วมกันในสมัยรัชกาลที่หนึ่งและที่สองมีความนิยมทาบุญด้วยการถวายความรู้หรือให้การศึกษาแก่พระสงฆ์จนถึงรัชกาลที่สก็โปรดให้จ้างอาจารย์บอกพระปริยติธรรมทุกพระอารามหลวงซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสังเกตมาก ปัจจุบันนี้ชาวพุทธไทยแทบไม่มีใครรู้จักวิธีทำบุญแบบนี้กล่าวคือในสมัยนั้นวังก็ตามบ้านเรือนเจ้านายหรือผู้ที่มีฐานะพอจะทำได้ก็ตามถือคติที่ว่าการให้การศึกษาแก่พระสงฆ์เป็นบุญอันยิ่งใหญ่จึงมีการจัดที่เรียนให้พระสงฆ์แม้แต่ในวังและที่บ้านโดยเชิญราชบัณฑิตมาสอนพระสงฆ์ถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่ง เดี๋ยวนี้มีใครนึกบ้างถึงการที่จะให้การศึกษาแก่พระสงฆ์โดยถือเป็นบุญเป็นกุศลนึกถึงแต่ว่าเราจะได้อะไรที่นำโชคลาบมาให้แก่ตนได้แต่หวังประโยชน์ส่วนตัวก็เลยไม่สนใจว่าพระสงฆ์จะประพฤติปฏิบัติอย่างไรไม่ใส่ใจการทำบุญด้วยเจตนาที่จะส่งเสริมให้พระสงฆ์ประพฤติดีปฏิบัติชอบและสนับสนุนท่านในการทำศาสนกิจคือเล่าเรียนปฏิบัต เผยแพร่สั่งสอนพระธรรมวินัยเมื่อคนนึกถึงพระนึกถึงวัดแต่ในแง่ที่จะเอาผลประโยชน์ของตัวการบริจาคที่แท้ก็ไม่มีมีแต่การถวายปัจจัยแบบตอบแทนพระที่ดีก็ดีไปเป็นส่วนตัวของท่านแต่เสียระบบทีนี้พระที่ไม่ดีละ่ะก็เห็นช่องว่าวิธีนี้เป็นทางมาของเงินทอง ได้ลาบสักการะง่ายไม่ต้องเรียนรู้ธรรมวินัยเลยก็เข้ามาได้แล้วก็เริ่มมีพระที่มุ่งหวังแต่ลาบสักการะเข้ามาโดยช่องทางนี้วัตถุมงคล น, นั้นไม่ต้องเล่าเรียนธรรมวินัยเลยก็ทำได้ทำโดยตัวเองไม่ต้องทำก็ยังได้ไปจ้างให้ร้านอะไรต่ออะไรก็ทำมาก็ได้ว่าเข้ามาทีละมากๆต้นทุนถูกๆ ให้เงินไปก็ได้วัตถุมงคลมาแล้วก็เอาไปจ่ายแจกตัวเองไม่ต้องมีความรู้และชาวบ้านเขาก็ไม่ค่อยสนใจว่าตัวเองจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรสบายเป็นนั้นว่าไม่มีคนคุมและลาบสักการักก็หนาอิทธิพลก็มากขึ้นบางทีมีกลุ่มวงจรธุรกิจเข้ามาหนุนซึ่งกันและกันอีก ก็เลยมีกำลังอิทธิพลเข้มแข็งกว้างขวางยิ่งขึ้นในเวลาเดียวกันพระทิ่ตั้งใจเรียนรู้ธรรมวินัยและประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยแต่ไม่สนองผลประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องการชาวบ้านก็ไม่สนใจพระเหล่านั้นที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบหรือตั้งใจเล่าเรียนธรรมวินัยก็ถูกทอดทิ้งหมดกาลังลงไปตามลาดับ นอกจากนั้นคนที่อยู่ในระบบความสัมพันธ์แบบผลประโยชน์โดยเฉพาะผู้ได้ผลประโยชน์จากระบบนี้ก็ชอบแล้วก็มัวมุ่งมัวเพลินอยู่กับการหาการรักษาผลประโยชน์ของตัวส่วนประชาชนหรือผู้คนที่หมกมุ่นวุ่นวายอยู่กับการหวังพึ่งอำนาจลี้ลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความหวังจากลาบลอยเช่นการพนันเล่นหวยและการเสี่ยงโชคต่าง ก็ไม่สนใจปัญหาและเรื่องที่เป็นสาระไม่คิดที่จะขวนขวายใช้เรียวแรงกำลังของตนในการทำอันใดแก้อะไรรวมแล้วสภาพที่ว่านี้ย่อมไม่ส่งเสริมบรรยากาศแห่งการศึกษาพัฒนาชีวิตและการทากิจ ด, ด้วยความเพียรพยายามทั้งคนและสังคมก็เลยยิ่งหมกจมกันอยู่ในวังวนแห่งปัญหาเพราะฉะนั้น คนเสียที่ติดตามมาจึงมากมายเหลือขนาเพราะกัดกร่อนลงไปถึงหลักการที่เป็นรากฐานของพระศาสนาอย่างน้อยตัวบุคคลนั่นเองเริ่มแต่ชาวบ้านที่อยู่ในความสัมพันธ์อย่างนี้ก็ไม่พัฒนาเพราะอยู่ในระบบของโลภะและโมหะโลภะก็คือการมุ่งหวังประโยชน์ส่วนตัวที่จะได้วัตถุมงคลมาก่อให้เกิดโชคลาภแก่ตน โมหะก็คือไม่ได้คิดพิจารณาว่าการกระทาของตนนั้นจะก่อให้เกิดผลอะไรเมื่อให้ไปแล้วปัจจัยนี้ก็เอาไปทาอะไรจะเกิดประโยชน์แก่พระศาสนาหรือไม่ไม่เป็นทางของการพัฒนาในบุญกุศลหรือไรสิกขาเขาไม่ได้คิดจะฟังธรรมและไม่เป็นเครื่องเปิดโอกาสที่จะทำให้เกิดการฟังธรรมต่อไป ต่างจากระบบบุญกุศลซึ่งเป็นทางให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ได้ฟังธรรมจากพระสงฆ์คือเป็นเครื่องเปิดโอกาสให้พระสงฆ์แนะนำสั่งสอนให้ธรรมะจึงเป็นอมิสทานชนิดที่เป็นสื่อต่อไปอย่างธรรมทานถึงตอนนี้ก็อยู่ที่พระสงฆ์ว่าจะทำหน้าที่หรือไม่เป็นอันว่าความสัมพันธ์แบบที่ว่ามานี้เป็นเรื่องของการที่ได้เกิดความคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนไป เมื่อระบบบุญกุศลเปลี่ยนไปทำให้ระบบการควบคุมทางสังคมด้วยศรัทธาเสียไปแล้วพระศาสนาจะเป็นอย่างไรทุกคนก็พอจะมองเห็นได้แน่นอนสภาพเสื่อมโทมนี้เกิดจากการทํากรรมร่วมกันของชาวพุทธทั้งพระสงฆ์และข้ารือหัดเรียกว่าผลกรรมที่ทําร่วมกันจะโทษแต่พระอย่างเดียวก็ไม่ได้แต่จะไม่โทษพระก็ไม่ได้เหมือนกัน เพราะในที่สุดพระ ก, ก็เป็นต้นตอที่ไม่ได้ให้การศึกษาแก่ประชาชนนี่คือวงจรร้ายที่เกิดขึ้นแล้วถ้าเราไม่ฟื้นฟูระบบบุญกุศลให้กลับคืนมาและยังหลงเพลินจมอยู่ในระบบผลประโยชน์เราจะกู้สถานะของพระศาสนาและทำสังคมให้เข้มแข็งมั่นคงไม่ได้อันนี้เป็นข้อเสนอให้พิจารณาอย่างน้อยก็ขอให้ช่วยกันทบทวนตรวจดูว่า สภาพปัจจุบันเป็นอย่างนี้หรือไม่